ทั้งทำกันทวนทวันก็ดีเพราะว่าเราย่ำกันพูดเรื่องเจริญสติเราก็มาเจริญสติมีผลลัพธ์มีเครื่องลับก็ู้กักกนทั้งสองฝาก เราเจริญสติผูพ้พูดก็เจริญผู้ฟังก็เจริญสติผูพ้พูดก็พูดเรื่องสติมันก็รู้จักกันเมื่อกพูดกับทุกคนต้องปฏิบัติมาก่อนสติมาก่อปฏิบัติปริยัติเป็นสองหนึ่งต้องเป็นตัวปฏิบัติต้องมีสติ ตัวปฏิบัติจริงๆคือมีสติมีความรู้สึกมีความระลึกได้เป็นเบื้องต้นอันความพอใจความไม่พอใจถ้าจะมีก็มีทีหลังถ้าสติรองรับพื้นฐานของชีวิตไปแล้วอันที่มาทีหลังอาจจะไม่มีที่นั่ง เหมือนเก้าอี้ใบเดียวถ้าเรานั่งก่อนคนที่มาก็ไม่มีที่นั่งเราก็มีสิตนั่งได้สิทที่อันชอบทำตัวปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันตัวสติเนี่ยต้องมาก่อนทุกครั้งให้มีที่ มีที่นั่งมีที่อยู่เป็นส่วนตัวเมื่อเรามีทรัพย์สินสะดึงคารมีอะไรเป็นของส่วนตัวมก็สะดวกสบายในการใช้ชีวิตในการดเนินชีวิตถ้าไปอาศัยคนอื่นจึอ้อง่นวัตถุอื่นก็ ไม่ค่อยสะดวกความสุขความทุกข์เราเป็นผู้ทำเราเองจะไปโทษผู้ใดผู้หนึ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของโลกมันเกิดจากเราทท้านั้นแหละถ้าเราไม่ต่อถ้าเราไม่ให้โอกาสมันก็ไม่มี ความรลิกความยังก็ไม่มีความปดความโลคความหลงมก็ไม่มีความพอใจความไม่พอใจมันก็ไม่มีหรอกเพราะมันไม่ถูกต้องความรู้จักตัวเดี๋ยวมันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาแทรกแซงเหมือน ประเทศชาติของเราไม่มีศัตรูผู้ใก็อยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นพวกเราอยู่ที่สุกโตก็ไม่เป็นศัตรูกันก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเห็นใครก็เหมือนเราเห็นเราก็เหมือนคนอื่นเห็นคนอื่นก็เหมือนเราสิ่งอื่นวตัตถุอื่นสัตว์อื่นก็มีความเมตตากาุณาความรักกันรัก ที่อยู่อาศัยของเรารักษลาหัวใจรักษ์ลานเห็นโค้งรักดงไผรักษศาลาหน้ารักษสิมน้ำรักอากาศรักพื้นดินรักษ์น้ำง้อชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับที่อยู่ใกล้ตัวเรา สิ่งไหนที่อยู่ใกล้มันเป็นมันเป็นของที่ใช่ได้ความรู้สึกตัวอยู่ใกล้เรามา ก, ก่อนอยู่กับเรามังก็ใช่ได้เราใช่ความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวประจํากายป็นจําใจของเราแล้วชีวิตของเราก็ไม่อภัพไม่อับจนคนโปรดคือคนจนคนทุกข์คือคนจน คนโลภคนหลงคือคนจนคนวิตกกังวลเศ้าหมองคือคนจนเออไม่หรือหลักเหมือนกับคนยากคนจนเหมือนคนอิเดียเอาสอบขาดคุมหัวนั่งอยู่ตามพ้ป่าถนนฝนตกก็นั่งอยู่ตรงนั้นแดดออกก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่มี หลักแหลงงไม่เหมือนผู้ที่มีที่หัวใ่ชีวิตของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีสติก็ก็กจนได้แม่นอนอยู่ตึกใหญ่ๆ ห, ห้องแอร์มันก็ยังจนอยู่ เราจึงสร้างฐานตัวนี้ให้เป็นหลักของเราก่อนเราสร้างฐานตัวนี้ได้แล้วเจ้าจะบูกไปอยู่ที่ไหนมันก็คืออยู่กับตัวเราในโลกนี้คือตัวเราตั้งนั้นเนี่ยเป็นเป็นสมบัติของเราแทบแทเป็นสมบัติของกายเป็นสมบัติของใจแม้แต่ความ แก่ความเจ็บความตายก็ไม่ใช่เรื่องของตัวสติสัมมชัญญะเรามีความแก่เป็นธรรมดาอย่ลงพ้นความแก่ไปได้เราก็ต้องยอมรับเลยสติมันไม่อยู่ตรงนั้นความแก่เป็นเรื่องอะไรเรื่องความแก่ความเจ็บเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องความเจ็บความตายเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องความตายตัวสติจะไม่มีแก่มีเจ็บไม่ตายเลย เป็นนิรันดอนเป็นอมตะเราจึงต้องพยายามภาคเพียนสร้างตัวนี้ขึ้นมาเหนือนการเกิดเจ่เจ็บตายแน่นอนที่สุดเกิดเจ็บเจะตายเป็นชีวิตของคนเกิดชีวิตของพระไม่ใช่ตรงนี้พระหมายถึงผู้เรยเสดิจ ประเสริฐเพื่ออะไรพบมันไม่อยู่อะไรมันไม่มีที่ไหนที่มาลงโทษได้มีแต่ปัญญาเท่านั้นเห็นความแก่ก็เป็นปัญญาเห็นคมเจ็บก็เป็นปัญญาเห็นคมตายก็เป็นปัญญาเพราะเราลูกโล่งหน้าแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแก่กายแก่ลูบนามขันหน้า ที่มันเป็นกองมหาภูติลูกแล้วก็เกิดความฉลาดเหมือนเรานั่งเหลือกายของเราเนี่ยเหมือนพ่วงแพรเราฟองจะขึ้นฝั่งได้เราใช้กายของเราเพื่อขึ้นฝัง่งไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้กายเพื่อใช้เลือเพื่อจมน้ำตาย จึงไม่คุ้มค่าเราก็ได้สมบัติมากายมาแล้วคือกายคือใจเป็นสมบัติทุกคนมาใช้มันมันดีดีกายนะมันใช้สําเร็จประโยชน์ได้ใช่ใกํานดพลิกมือคว่ำ ม, มือให้ลู่สึกตัวก็ได้ใช่ให้ละความชั่วใช่ให้ความความดีได้ทั้นั้นเป็นกายเป็นจิตของเรานะ ขันหน้าเป็นสิ่งที่รองรับให้สำเร็จประโยชน์เลือกเพื่อทำไห้เกิดไม่ถอยหลังเหมือนความอดความอยากของคนทั้งหลายเราก็ดีความอดความจนทำให้เราไม่ทุกข์ไม่จนได้เือนเศรษฐีบ้านหนองตนาสมัยเขาเป็นหนุ่ม เขาขุดแต่กอยมาเรียกพ่อเรียกได้ฮะกอยไม่ใ้จำขุดกอยเป็นม่จำมือจักอยไมอ่าเขาคนจนมสมัยก่อนไม่มีทางที่จะหาอะไรกินเงินก็ไม่มีเหมือนคนทุกวันนี้แหล่งเงินทองไม่มีคนโบราณถ้าจนล้วก็ถือว่าขอทานแล้วก็ขุดกอยกัน คนที่ไม่จนมีข้าวเอาข้าวเป็นรั์สมัยก่อนถ้าใครมีข้าวเยอะคนจนก็อาศัยคนที่มีข้าวไปขอยืมยืมเจ้าของข้าวก็ไม่เอาออกดอกแต่ว่าต้องผูกเอาสมมติไปยืมข้าวสิบถังต้องเงินสิบบาทไปผูกบาทละถัง แต่เงินให้เจ้าของข้าแต่เอาข้าไปสิบถังแล้วออกมาคืในให้เขาสิบถังเขาก็คือได้เงินค่าผูกข้าวกินถ้าไม่มีเงินสิบบาททําไงคนโบราณก็ต้มเหล้าขายแม่ห้างแม่ใหม่นะคนโบราณนะกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ต้มเหล้าขายได้ แจ้งชื่อส่งไปยังหน่วยงานของรัฐระบ้านนี้มีแม่ห้างด้วยใจแม่ห้างไหม <c oughs> มีไหอให้อธรญาตต้มเหล้าได้ขายได้ขวดละบาทห้าสิบตังค์ <c oughs> พอได้เงินชื่อเหล้าจย็นโอพอได้เงินผูกข้าวเิ็นนั่นเลยว่า นนะเขาจนบ้านหนองตนานี่ยเขาจนไม่มีอะไรไปขุดกอยพราะเห็นความจนของตนเองย้ายบ้านจากอเมืองพนมาอยู่บ้านหนองตนานะี่ยเขาเห็นความจนของเขาเขาเลยขยันมันเพียนขยันมันเพียน เพื่อต่อสู้ปองจนกายเป็นคนมีเงินมีทองมีข้าวของเยอะแยะทั้ดเลยเพราะความจนแท้ๆทำให้เขามั่งมีหลายชีวิตอย่างอยู่ที่นี่ก็มีมีคนบ้านเก่าเคย แต่ก่อนหลองพ่อก็เอาคนที่มีประวัติดีๆมาเล่ามาประชุมมาพัฒนากลุ่มแม่บ้านใช่ไหมก่อนเป็นการพัฒนากลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนเอาคนที่มีความสาเร็จและมีประสบการณ์นในการดำเนินชีวิตมามีคนบ้านเก่าเขามาอยู่ใหม่ๆ ม, มาทำได้ ข้าวโพดมาทําไร่เดือยแต่ก่อนไม่มีมันไม่มีอ้อยนะทำไร่เดือยทําข้าวโพด ท, ทีนี่ก็มากับน้องชายก็กลัวไม่มาด้วยอบกลัวก็ไม่คล้าที่จะมาอยู่เพราะว่าใค่ามาเรียค่ายป่าบ้านเรือนก็ไม่มีมาอยู่ในป่าลนตงนพอ ก็มีเงินไม่มา ก, มากพาน้องชายไปซื้อขนมไข่ในตลาดในบ้านท่าหิงหงมเขามีร้านค้าอยู่นะขนมไข่หรือขนมอะไรที่มีกระดาษหองรองไว้เป็นห่อไว้เขาก็าซื้อได้คนลัก้นกับน้องชายแต่พี่ชายเขาก็พอได้ขนมมาก็กิน แล้วก็ฉีกกระดาษออกน้องชายไม่ฉีกกระดาษเลยกินทั้งกระดาษเลยพอมองเห็นน้องชายกินขนมทั้งกระดาษว่าถ้าฉีกออกไปมันติดขนมมติดกระดาษเสียดายมันมากินเลยล้ำตาเขาร่วงเลยก็ล้ำตาผมร่วงเลยหลวงเห็นน้องชายกินขนมทั้งกระดาษมีไห้พวกเราก็เลยอุย้ยเราจนเงินได้ตั้งไง ไปหาข้าวเอาฟักแแปลงแตงกัวเอาอะไรหาบลงไปบ้านนาแจขันดาสาไปกับผู้หญิงที่มีความจนแต่ว่าขันดาสาหาบข้าวขึ้นเขาให้เขาเวลาได้เข้ามาก็ก็คนคนนี้ หาบเข้าขึ้นทอยของตนเนี่ขึ้นไปวางไว้บนกลางเขาหว่วนสนได้ชนหนึ่งก็ลงมาหาบให้โยมผู้หญิงให้แม่ออกให้ผู้หญิงขึ้นไปบางคนก็หาบขึ้นไปบ้างบางก็อ่าโยมคนเขาลงมาหาบอ้อยขึ้นไปทอยขึ้นไ ป, นไปเวลาไปหาข้าวเขาก็ไม่ไปหาเพราะเออายเป็นผู้ชาย ให้ให้พวกผู้เยกไปหาให้าของเอาของฝากมีฝากทองลูกโตโตมีกล้วยมีแหวงอะไรก็เยอะแยะเลยสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่ที่นี่คนแถวเนี่ยเอาผ้าโูนแตวงมาให้หลวงพ่อลูกโตโตโ ต, ตอนกลางวันเขาบอกไล่อยู่ตรงไหนถามว่าไล่พ่ออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เอง เอาคิดถึงหลวงพ่อเ็ยเอาแตงมาส่งมันเยอะงักนะแต่เม ก, ก่อนปลักแพงแต่ปัวยเยอะอาบต้องไปแรกข้าวเขาแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่มีแตงไงหลวงพ่อก็ลงทุนซื้อตั้งหลายร้อยบาทไม่แม่ชีคงปลูกไม่เห็นจากต้นเลยนึกว่ปลูกแต่แม่ชีคงวัววัักแตงก็ไม่เห็นจากภูมิเน่ะ <ท>เห็นอยู่นะยพรมสองพุมัน่เครื่อค้าของมือเนอี่ย เ, เป็นดอกเด้งโอ้ไม่ได้กินเลยมาแตงหนึ่งฝักทองหนึ่งเมเมเมเมเ ม, ม, มถั่วถั่วลายฉันตุ่มซื้อมาอันนั้นเกิดอันถั่วฝักยาวเนี่ยไ ม, นะไม่รู้วเออกิดอะไรู้อ่าเขาบอหาบเข้ า, ขาขึ้นมา ถ้าข้าวหมดเป็นอะไรเขาก็ชวนโยมพวกผู้หญิงลงไปหาข้าวบ้า น, นาอาจะหาบขึ้นให้เขาเลิกจ้างหาบให้เขาแต่ว่าให้เขาไปหาให้เวลาจะไปถึงบ้านแล้วเขาก็อยู่ที่ใดที่หนึ่งอาเจะบ้านไปหาเวลาได้ข้าวมาก็หาบขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวนี้เขามีฐานะดีมีรถสิบโอมี หัวเป็นฝูงมีไล่อ้อยไล่อยู่คาลิปตัดมีอะไรต่างๆเพราะความจนบางคนก็ความจนนี่พาให้จนต่อไปอ้างว่าเราไม่มีทรัพย์สมบัติไม่รับมรดกตอนนี้ชาติตะกูลไป ฉันเลยก็ดีการปฏิบัติธรรมความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงความไม่ปกติของชีวิตเราเน่เป็นฐานที่ทำให้เราไม่ยอมความทุกข์แท้ๆพาให้คนได้บรรลุธรรมในสมัยข้างพริเจ้าจองพระเทศศกดิุตรทที่พูนไวยหนอทุกเน ทุกมากทุกหนอที่นี่บุญวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอโดนจากปาราณสีมาอิชิปัตนะมะลขยาวันสารนาฏทวันนี้ที่จะแดงปฐมมเทศสนาของพระพุทธเจ้าตอนนั่นพระพุทธเจ้าก็ตัดสรลุใหม่ๆตามปัญจวิเคีมาจากนูน่นหลอดชืคือโดน มาจากพระราชเกิด อ, อ่าไม่ใช่ราชเกิดมาจากพุทธคยาเทิ่งกันตั้งแต่ดงขจิลิเทิ่งกันตั้งแต่บ้านนางสุจด า, าพวกปัญจพีเห็นศิทธะมาจินข้าวมันุพยาต เป็นคนมากๆ ก, ก็เ น, นี้จากไปเลยพี่พุทธกยากวัตดจลแล้วพุทธิาวกตามหามีใครหนอพอที่จรับฟังสัจธรรมมีนได้บ้างมองไปมองมาโอ้ปัญจวิคีพอมีเชื่ออยู่บ้างแสดงหาบุกคลธรรมอยู่เอาไปสอนนะเนี่ยยาสากุลบุตรเนี่ย ก็อาจจะได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าไป้ความนักอยู่ที่นั่นเดินมาตอนไข่สว่างทุกหนอทุกหนอพุทธเจ้าจงกรมอยู่พุทธเจ้าขานตอบทันเดที่นี่ไม่ขัดท้องที่ไม่วุ่นวายที่ไม่มีทุกมาที่นี่เถิดยศคุลบุตรก็เข้าไปถอดรองเท้าไว้หน้าวัดหน้าป่า เพื่อไปพระเจ้าก็แสดงธรรมไม่ฟังยังมีที่เนี่ยในาสารณาฏนะอิจิปันนาที่แสดงธรรมปดดะจัากรลุดก็มีที่แสดงธรรมปฐมเทศนาก็มีแล้วทำอนุสาวรีไว้พอพุทธเจ้าเทศก็ไม่เทเิดได้ออไรเรา อนุปพิกขาหาอนุปพิกขาหานะ่ยคืออะไรบรุญจีรวัตรอนุพิกขาหาทานมีศลโอ้ยจมย อ, อนุพิก า, าทานศิล เนคขมะสักะกะถาทานกถาจินถาักะกะถาเนขมมะสังสักกถาอริสักจีเออไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไปจได้ทาน ก, ากาถาล่าทั้งทานหลา ย, ลายอย่างล่างเหมือ น, นกับเยสกวนวภาพเบื้อมาเบืออะไรเบื่อความทุกข์ วามุ่นวายความขัดข้องมาพุทธเจ้ายังสักผ้าให้ทานลงไปจากะทานคือสระอารมณ์เน่าออกจากจิตใจของยาสาวกนบุตสละออกจากะตัวเนี้มาจากว่าจระอารมณ์เน่าออกที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจออกไปรู้จักอารมณ์เน่าไหมเคลนะ อารมณ์เน่ามันเป็นเกษตรคือความเศร้าหมองครับน่ยความทุกน้อทุกน้อเนี่ยเป็นอารมณ์เน่านะไม่ใช่เรานะใจเราไม่เน่าดอกมันดีอยู่แต่มันอารมณ์มันมาทําให้เน่าไปหน้าบูดหน้าเบิง้งอะทุกพระเจ้าจงทานคาถาสอนยาจาับกบฏไ อ, อ้จะละ่ะออกไปเ้ะทานกถา แล้วก็ฉินกระถาซักผ้าแล้วถากแข้งฉินคือทำไมเหมือนกับง่ายไผ่ที่เปียกน้ำเอาขึ้นมาบนบกแล้วแต่ยังไม่แห้งแล้วก็ฉินลงไปตากให้มันแห้งแล้วออกมาสีไฟ สินกถาเนี่ยตัดออกไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นอย่าไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันชี้ที่ไรก็รู้เจ็ดอย่าไปกับมันทุกหนอทุกหนอก็รไม่ต้องว่าไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันตัดออกสินคือหนักแน่นเหมือนก้อนหินสีลาสีลาเนี่ยสิลาเนี่ยศีลาคือก้อนหินมาจากคำว่าสีลา ศีลาคือสินนั่นแหละหนักแน่นละวัยจะไปหวนิดไปก็แห้งไปหนักแน่นไปหนักแน่นมา ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ม, าไม่ปลิวสิสิ น, น, นอารมณ์อมาก็ไม่ปลิวไม่วิ่งไปกลามอารมณ์หนักแน่นขึ้นก็เหมือนกับไม่ไผ่ที่เอาขึ้นจากน้ำแล้วมาสีไฟไฟย่อมเกิดได้ พุทเจ้าก็ลำดับไปทางกษศาตริน์ศนักาสักขะกถาเมื่อมีทานมีศีลก็มีสักขะคืออารมณ์ดีสักขะตัว น, นี้หมายถึงถ้าจะมีสวรรค์มีอะไรอารมณ์ดีกลัวเก่าออกจากความวุ่นวาออกจากความเศร้าหมองขัดข้องมาได้ เ, ออเบากายเบาใจขึ้นมา ให้ฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็งานชำระตัวเองเป็นสักะกะถาถ้าจะเป็นความสงบเป็นความปกติของจิตเกิดขึ้นแล้วต่อไปพุทธเจ้าก็จะอีกด้วยในขมั่นในสังสักกถาเดีวไ้ออกไปในขมา่คือออกไปออกไปออกไ ป, ออกไปคือบวช แน่ครับว่าคือออกไปออกไปจากอารมณ์ไม่ดีออกไปให้หมดจะไปคล้องแหวะกะมันดิมหลีออกไปเหมือนเราออกมาบวชหนีจากความชั่วไปสู่ความดีชื่อว่าบวชถ้ามาบวชแล้วนไม่ไม่หนีจากความชั่วมันก็ยังไม่ได้บวชไม่ชื่อว่าเนคขมะเนคขมะนี่ออกบวจากเดือนไม่เกี่ยวข้องโดยเดือนแล้ว อย่าจากบนบกออกมาได้แล้วไม่ออกมาแต่ความมันจมอยู่กับความม้วนวายความขัดข้ อ, ของความเศร้าหมองความทุกข์ออกมาได้พอนี่ยทำไมสังกาาจบลงเจ้าก็ตอบเลยเลียสัจจีเลยล้างแล้วบัดย้อมแล้วบัดเหมือนผ้าสะอาดแล้วย้อมได้แล้วบัดเหมือน อา่าจากคนโหวดมังเปื่อนมาพออ่อสี่ข้อล่างไปล่ะเหมือนผ้าสาพร้อมที่จะยอบติดสีได้ตามวามปารตนาก็ยรายว่าสลา ก, ร, กริสติอธิสติคือเหตุกับผลเหตุกับผลไม่ใช่เหตุกับผลด้ดยความคิดเช่นทุกขที่เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุ มันไม่ใช่ทุกลอยๆมันมีเหตุเป็นก่อนก่อนที่จะมาทุกหนอทุกหนมาอะไรมันต้องมีเหตุก่อนเราแค่ที่เหตุมันอะมันไม่ใช่มาบ่นว่าทุกหนอทุกหนอก็เห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วโอ้ยถอนลากถอนคนถอ น, คนถอนลากถอนตนร่างบางล่างบาปร่างทุกโศกร่างเกิดแเจ็บตาย อ่ลสเฉนี่ยมักเนี่ยเรี่ามั ก, มกคือดูสติเนี่ยทำให้เราเป็นมักง่ายสติตัวนี้เป็นมักจริงๆนะดูเข้าไปดูเข้าไปเห็นเข้าไปไม่เป็นกับจริงต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันย่อมมีนะเวลาเราปฏิบัติธรรมแน่ย่ยอมมีอะไรที่มันผ่านมาเกี่ยวข้องกับเรา เาเรียกว่ามารอนุสัยดั้งเดิมของเราย่อมมีได้ทางพ่อก็มากที่สุดเรื่องอนุสัยเรื่องงานเนี่ยางพ่อมาบวชไม่ใช่มาเหมือนท่านทั้งหลายมาด้วยความมาด้วยความดีอรักลูกรักเมียรักครอบรักครัวรักการรักงานรักพี่รักน้องรัก ที่ทำอยู่ทำกินมีนาไม่ได้ไปนาวันหนึ่งไม่ได้ต้องไปทุกวันนาเดี๋ยวนี้ก็ดีดีอย่างเป็นนาเอกอยู่นามบ่อโดของพ่อของแม่แล้วไม่มีใครทำทุกวันเลยวันหนึ่งไปไปไปบ้านไปน้องแข่น้องสาวไม่สบายเป็นโรคเบวาน ก็ไปดูก่อแล้วก็นัดให้น้องๆมาหาแล้วก็มาแาถามว่าไม่มีใครทํานาเลย <c oughs> นาดีๆไม่มีใครทําเลยเฮยข้าวก็แพงบาทละบ้องขวนจะได้ไหมบาทละบ้องขวนญแต่เมื่ก่อนเกิดมาได้ยินว่าข้าวบาทละบ้องขวนบ้องขวนก็ อาจจะได้ไงถึงกระป๋องแกงบ้องขวัญหน่งสองบ้งขวอัอาจจะได้กระป๋องแ้งหนึ่าถังหนึ่งเนี่ยสามร้อยถอังหนึ่งเนยยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรที่นี่ถังหนึ่งยี่สิบลิตรเนี่ยสามรอยสามสิบห้าสิบบาทถังหนาถ้ามาผงเป็นบ้องขวัญจะได้ถึง สามรอยห้าสิบ้องขวัไหมข้าทางนันะคนนิบข้าวยี่สิบเะอามาผอเป็นบ้องขวัญ น, นะจะได้ถึงสามร้อยห้าสิบบ้องขวนนไหมสามร้อยหสิบบ้องขวัญจะเต็มถังไหมยี่สิดะรู้จักบ้องขวนญไหมว่าหงจากดกคนจะปวดนอนบ้องขวัที่เอามีขวนแลรวก็เอาใส่หอนขวัญเอาไปใส่ด้ามฟันบ้านฟันสร้างบ้านแทนเลย ก็อาจจะไม่เท่ากับผงแป้งหรอนะนี่ได้ยินเกิดราจะยินข้าวบาดแล้วบ้องขวนญข้าวยากมากแพงเดี๋ยวนี้มันถูกแล้วแล้วทำไมเขาสูไม่ทํานาไม่ทําหรอกอ่าถ้าถามน้องชายทําไมไม่ทํานาลูกเขาไม่ให้ทำเพราะลูกเขาไม่ทําทนาแเขาทำอะไรเขามีรงสีข้าวสีข้าวเลี้ยงหมูแล้วพ่อไปทํานาเขาก็ด่า สาวลูกสาวก็ดา่าลูกเขยก็ดา่าลูกชายก็ดา่าอ่าน้องๆเอกลูกเขยหนีไปเมืองนอกหมดทุกคนน่ะไปไปไปอล่ไปเก็บผลไม้ประเทศอะไประเทศอะไรอิจเลหรือประเทศอะไรไปเก็บผลไม้ลยหน้าทํานาหนีกันหมดทุกคนเลยไม่มีใครอยู่บ้านไปทั้งผัวทั้งเมี่ยไปกันทุกปีทุกปีทิ้งนาไปเลย ถ้าเป็นหลวงพ่อนะขายข้าวบาทละบ้งขวนให้มันกินเลยทีเดียวนเะีข้าวทำนาเนาะนัออวะอ่าไปเข้าวนะนะนะ บ, บาทละบ้งขวนกินทั้งหนึ่งสามรอยกว่าบาทดูซิต่อไปเนี่เจ็ดทีจะเป็นผู้ทำนาต่อไปนะทั้งหนึ่งจะเป็น0ันบาททำางฮะไม่ทำนาแล้วทุกวันนะ ลักนาน่ยโอ้ยลักที่สุดเลยหลักเท่านานะลยาบวชล้วก็โอ้ยห่วงนาห่วงพี่ห่วงน้องตอนที่มาบวชเนี่ยบอกน้องชายบอกน้องสาวเขาว่าเขาอายคนพระี่ชายไปบวชเขาอายคนอายทําไมเหมือนกับไม่มีปัญญาหาเลี้ยงชีวิตตนได้นะแม่ก็ห้ามนะไปถ้า ตาบวชแล้วแม่ก็ไม่เคยหวังถึ่งใครลูกเจ็ดคนในหวังพึ่งเจ้าคนเดียวนี่ะเหมือนกับตายไปแล้วโอ้ยแม่พูดไปถูกหรกให้แม่ลูกลูกแม่เจ็ดคนไหนเป็นพระสักคนไม่หละเลยไม่ตายแร้วเอามีลูกเขาก็ดีอยู่หลายคนนะอ๋อรักพ่อรักแม่ลั ก, ล ก, ล ก, ลกพี่รัก้องน้องชายดิเศราหมองเลยว่าพี่ชายไปบวช ไอคนว่ามันมีความสามารถเลี้ยงชีวิตของตอนเลอมาบวชแล้วก็หวงคิดถึงบ้านคิดถึงน้องคิดถึงแม่ชัดบางทีก็น้ำตาร่วมกันนะการบวชนะใช่ไหมหวังอ่ะมันต้องมีแนะเรียกว่าอนุใสยต่างๆเหมือนยาจากคนบวชต่างอนุใสยตัวเนี้ย่ยมันติดมันกันนะมันติดเหมือนกัน ก็นั้นเนี่ยถอนออกมาเหมือนกับอนุตปิปิกถ า, าล่างออกล่างออกสติเนี่ยเป็นน้าทิพที่ไปใช่ไหมล่ะม่คิดไปก็ทิ้งก็มาลู่สึกตัวมาคิดไปก็รู้สึกตัวความคิดแท้แท้ความหลงแท้แท้ทั้งให้เราไงความรู้สึกตัวแต่ที่ความหลงจะกลายเป็นความหลงไม่ใช่แล้วโอ้ใจระบัดโอ๊ยองมักรึยังมักรแท้แท้เป็นกลางเป็นธรรมไม่องคมากนะ พู้เจ้าจะแดงให้ย่กสับุงบุตรฟังอรดีสิวันที่จุดอริสัตพระอ่าย่กสับุงบุตรเป็นพระหรันเป็นพระหันดัเนเติเปิดเป็นพระตื่นเจ้าขึ้นมาพ่าแม่ไม่เห็นลูกชากตามหาตามหามาเจอรองเท้า ที่หน้าวัดเห็นแต่ลองท่าวางอยู่ตามเข้ามาเห็น่วนแล้วฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่พระเจาเศรษฐีพ่อของยาสาวคนโวดนะก็เสียดายลูกชายเพราะเป็นเศรษฐีเข้ามาฟังธรรม ไม่ได้มาฟังธรรมหรอก็เลยได้มนพระพุทธเจ้ากับไปสักขบขุตวเข้าไปบ้านไปฉันข้าวที่บ้านพอไปฉันข้าวที่บ้านเพื่อนเขาจะเจ็บุตรสีห้าคนไปยินว่ยยาจะเสียบี้ประวัติเราเพื่อนคนเศรษฐีเมีินในทองมามาฟังเทศอ้าวพรเจ้าโปรตี วัลย์ยเก่าของเศรษฐายาศกุลฟังทำเองได้บรรลุทำเองพ่อแม่ของยายศักดิ์กุลวมาฟังทำได้บรรลุทำเป็นอุบาจกวาจิกาคนแรกเลยพ่อแม่ของยาศักดิ์กุลวดแลนี้เพื่อนของยศกุลชีพ่าคนตามมาบวดกับยศกุลวดไปเลยผ่านนั่นนะสมัยก่อนเหมือนพวกเราทุกวันนี้ มีคนดีๆมาอยู่ก็มีเพื่อนมาอยู่มีหมูมีมิตรญาติโยมมาตามมานะตั้งแต่สุกโตที่แรกไม่มีใครพออาจารย์ปรสาามาอ้าวเพื่อนจารย์ราเก็มาอ่าพออาจารย์ปรสาามาก็มีเพื่อนมีญาติมี ย, ม, ยมมาภูมิศษาปฏิบัติธรรมมาอ้าวมาถึงยุคก็อาจารย์ทรงฉินญาชันาชารทรงสินนีก็มาอยู่อ้าว ก็มีคนมาอยู่เยอะแยะอาจารย์ศิลก็สําเร็จถ้าจะพูดแล้วก็อ า, จ, จ, จ, าจารย์เหมือนกันยานวโรเทพายานน้องเฉินยานตุ้มายานนุชหลายชีวิตที่อยู่ด้วยกันไม่เพื่อนตามมาเยอะแยะไปหดวัดสุโขทโธเลื่อนฐานะขึ้นไปด้วยโรงไยาบาลวิรัติมาหลวงบาลชัยพรมมาหลายคนที่มาหลายคนที่มามาที่นี่กลเป็นเรื่องดีเหมือนกับสมัยยาสกุณบุตร สายมาที่พ่อแม่เป็นวสุปจัจกามาขวเตืวกั น, นเป็นกำลังไปถ้าสมัยวันเพดานสามเนี่ยเรานับดูที่พระสงฆ์ไปไประชุมกันที่เบลวันเน่ะมนันโดยไม่ได้หมายออกพรรษาแล้วเดินกุมภาเลยก็มีใครบ้างอ่าเท่าไหร่เท่าไหร่กี่รูปอ่ะนะอาจารย์ ก็ อ, อาหานแ์่ปประชุมกันที่ลงไปทั้งหมดกี่ 1> 1, ร, ปรูปสองพันหนึ่งรอย่หละห้าสิบรูปะหนึ่งันห้าสิบยไม่มีใค ร, รนับดูสิก็มีพระพุทธเจ้าควันจะไปขี่ห้าหกพระพุทธเจ้าแล้วก็ออ เพื่อเขาจะยยาจากคบุตรอีกเป็นเกตเราสายของยศ ก, กุลสี่ห้าสีห่สห้าลูกเป็นเท่าไหร่แล้วแล้วก็อะลลูเวลากษตระปะหนึ่งห้ายห้าร้อยขายากะกษตปะสามรอยอทีกษตระปะสองร้อยเดินเข้ารอดจะคืบเลย พันสองรห้าสิบโลกก็นับได้อัจฉริย์นในตำราบอกว่าพระสงฆ์ที่มาร่วมมาสู่ไวรุกวันมาอมธิาการพรพุทธเจ้าน่ะไม่ได้นัดหมายหนึ่งพันสองรห้าสิบโลกนะ่ะแล้วเป็นพระขีณาสกเป็นพระที่เป็นเอตตคาภิกษุเอเป็นเอหิภอุปสัมมทาบวช ด, ด้วยหิภูมิหอมทาเหมือนกันหมด แต่ไมก่อนบวดใหม่ใหม่เอฮะพิคุอุปสมปทาว่าง่ายๆถือบาทเข้ามาโปนผมเข้ามาถือจีวนมาพู้พุทเจ้าก็ถามว่าท่านจงเป็นพิกจุมกระเถิดทําวินัยเราเก่าดีแล้วตัดไปดีแล้วท่านจงพี่ผู้พิติผมอาจารย์ให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดว่าเราคงพาดบวชไปเลย เอหิ ه, ภิกขุวิส ม, มุทาบวชสมัยก่อนต่อมาก็เป็นยติจตกรรมวาจาแสดงถึงละส้นไตเสนากมต่อมาอีกก็เป็นอ่าอ่าเป็นยติจตกรรมวาจาเป็นอันดับที่สามการบวชทนวนเพราะสมัยไปไประชุมวันปาริมโมกนะมีหนึ่งลันสองร้เจ็พระเนี่ยใหม่ๆรุ่นแรกๆเลย ออกพรรษาแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าพวอเราอยู่สมมุดพระพุทธเจ้าอยู่โอ้กรุงเทพเรามาอยู่นี่อ่ากลุ่หนึ่งก็อยู่โน่นอยู่นี่ไปก็คิดถึงพระพุทธเจ้าออกพรรษาแล้วจะไปกราบพระพุทธเจ้าก็คิดเหมือนกันก็ไปเดินทางไปไว้พอดีไปพบกันที่นั่นก็ไปตามทางเขาโปรดกันไปพระพุทธเจ้าโปรดทำบาทีบ้าง สามสิบอุอเรวากัจะปะห้าร้อยนาทีกัจะปะสามร้อยอ่ขาขยากัจะปะสามร้อยนาทีกัจะปะสองร้อยมันเป็นพันแล้วล่ะมาปีเข้าไปสองร้าสิบเก็มีเท่านี้ไปเป็นอย่างนั้นพวกเราเนะ่มาเถอะะ ทำไม่ในพระพุทธเจ้าตัดไม่ดีจริงๆนะไม่ต้องบอกพรไม่ต้องมีผมได้เลยเราปฏิบัติทำเน่ะเป็นชิ่งจําปัสได้จันทีเล ย, เยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยไปกลัวอะไรี่คิดยุง่งยากอะไะไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่ไปต้องสติปัญญาไม่ต้องไปหลงเอาไม่ต้องหลงไม่ต้องไปกลับไปหาอานุสัย ขี้มันเคกินตัดเข้ามาง่ายง่ายมาเนี่ยสิ่งที่เราให้ตัดเข้ามาง่ายมันก็มีแล้วมือจีบนิ้วห้านิ้วเพื่อนไหวแขนเรากายเราให้มีสติลงไปรู้สึกตัวลงไปมันจะจี่มากน้อยขนาดไหนกิเลสพราหมณ์ตัณหาร้อยแปดมันสู้ตัวมักตัวเด้งไปได้หรือคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวเลยอะไรก็ตามเถอะ มักเนี่ยตัดไปเลยเป็นทางลูดไปเลยงั้นทางไปไหนก็ลูดไปได้วิ่งไปได้ศีลเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเลยนี่พวกเราที่มาเนี่ยมีต่มาสู่ธรรมวินัยด้วยกันอาจารย์ทรงศีลก็่กอนๆก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่พยับของพ่อก็ไปสอนทำ ท, ที่พยับ เป็นนักศึกษาเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพการงานจนสำเร็จร่ำรวยให้อดวมาอยากหนีมาบวชอาจารย์วเทพวะเนี่ยขับรถถกก็ตู้แกลก้องทีวีโชว์ทัชมาถ่ายภาพสมัยหลวงพ่อดังในเรื่อง แต่ น, นินทำเผ็นินทองจะไหนานมาแล้วนะแต่ น, นินทำเผ็ด น, นินทองมาถ่ายเข า, าทำประวัติเอาไปมามาสัมภาษณ์กับหลวงพ่อไปมากอะทิ้งกล้องไว้ไหนไม่รู้กลับมาผลผมมาถอดเสื้อกางเกงอยู่เลยปวแล้วไม่ขึ้นกะติเลยบอให้ขึ้นกะติเขาไม่ขึ้นนอนอยู่กับดินผลต ก, กนอนอยู่ตอนนั้ก็อยู่ตรงนี้ ไม่เป็นหมันดอกพวกเรามาปฏิบัติธรรมมันไปมากทังผลอนุสัยอย่าไปกลัวมันเลยอย่าไปคิดว่าโอ๊ยฉันมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอย่าไปอ้างแล้วพ่อก็มีลูกคันน้งเฉนก็มีลูกมีเมียเหมือนกันพระเจ้าก็มีเมีย่ยาติสามคบุตรก็มีเมียเป็นลูกเศรษฐีหลายคนอะหลงตาเนี่ยหลงตาเยอะแยะไปเลยสมัยครั้งพระเจ้า นนี่ก็มีหลงตาเน้น้อยก็ยิ่งดีไม่ต้องเป็นนิสัยอะไรให้มันสะอาดมาเนี่ยง่ายดีนะไม่เหมือนพวกเราถ้าพวกเราเอามาเป็นฐานเคยทุกข์เคยรักเคยชังเอามาเป็นฐานแห่งการเจริญสติได้อันน้อยพยายามสร้างตัวเองให้ได้รับรางวัลจากพระพุทธเจ้าผมจีวอ เรียบร้อยเดินเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยฉันเรียบร้อยยกมือกราบจกมือไหว่นั่นน่ะดูสิสำเนียงลีมาจากไต้หวันเรียบร้อยสำลีมาจากไทยเรียบร้อยแม่ชีเรียบร้อยแล้วเนงก็เรียบร้อยจีไปนั่งเราโคลลังงอผมผ้าเรียบร้อยอ่าผมผ้าเรียบร้อยกบดารญาติเรียบร้อยสป็นอาจารย์กราบ ยบมื อ, อเรียบร้อยให้ได้หลังวันจากพระพุทธเจ้าออไปไปประดับเป็นมรดกของเรารับไปบ้านหาพ่อแม่โอ้ยลูกชายของฉันนี่เป็นคนดีเรียบร้อยดีตั้งแต่บวชมาเนี่ยหัดตัวเองอย่าไปเล่นกันสามลูกหยอกล้อกันไม่ไดีวันนี้ก็มีอาจารย์ที่เลี้ยงคอยดูแลดีดีมนกันก น, นะทุกคนนั่นแหละ จะเลื่อนสติจะเป็นคนคนเดียวกันรู้จักตัวรู้จักตัวทั <c oughs> ้องโอกโกโอ้ดอะไรต่ อ, อเลิดเปิดอ้าวอาจารย์ยุคิตอากาปะพ่องกัน